อธิบายกรรมที่พร้อมเพลียงกันโดยทำปฏิรูปภิกษุทั้งหลายก็กรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาแล้ว ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็นำมาแล้วภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็ไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทรรมปฏิรูปภิกษุทั้งหลายในยติจะตุทะกรรมถ้าสวดกรรมวาจากรนั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกาหนดจำนวนไว้เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาแล้วฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็นำมาแล้วภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดคารชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูป